ฟังฟังทต่ออีกจะให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีหน้าที่แล้วเมื่อจะทำหน้าที่อันใดให้รู้จักหน้าที่อันนั่นที่จะผิดที่จะปีถูก นี่เจียงมั่เ่ยเราก็ออกบวชจากบ้านจากเดือนมาแล้วได้เป็นวาจาเอสาหังฟันเตุขิละปาเลนีพุตตอมปี เอตังกาสาหวังให้หตววปพาเยธังพันเตก็หมายถึงเพื่อพระนิพพานโดยตรงที่บอกงานของเราเมื่อได้ตั้งใจเช่นนี้ก็ประกอบการงานให้มันเกิดขึ้นอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายมีความบากบันในงานนั่น เหมือนกับเราสร้างฐานะอาชีพการงานทางกายหาปัจจัยสี่เรื่องชีวิตท่ไมจึงหาปัจจัยสี่ก็กลัวความยากความจนความลำบากความปวดยากตอนนั้นเป็นอาชีพ แต่อาชีพทางกิตวิญญาณก็กลัววัฏฏสงสารเกลียนว่าแต่เกิดกลัวพวกภูมิต่างๆอาวาัยาภูมเปิดสรกาจนโรกเดรัจฉานก็ลำบากไม่เจริญเราจงึงเียาชีพ สองทางนี่แน่นอนที่สุดแต่อาชีพทางปัจจัยหาเลี้ยงกายนั้นหลายคนอาจะมีความสำเร็จมาบ้างแล้วด้จากการงานหน้าที่มีวิชาความลู้ มีศาสตร์มีศีลมีการศึกษาในวิชาต่างๆได้ความรู้ปรับกอบอาชีพได้ไม่ลาบากก็จะต่างกับคนที่ไม่มีความรู้หลังสู้ว่าหน้าสู้ดินหาเช่าจิมเย็นโอตโจักจากอันนี้ก็เช่นการอาชีพทางจิตวิญญาณ น, นี่ อ ด, อดจักยากหาวันนี้ใช่นี่วันก่อนเราจึงเห็นผ่าในเรื่องนี้โดยเพราะพวกเรา <c oughs> ที่อยู่ในวัดวาอารามการปฏิบัติ การหาอาชีพดวนี้ก็มีขั้นตอนมีศรัทธามีความเพียรความบากบันมีการกระทำประกอบงานงานให้มันเจริญแต่มีความเพียรมีการกระทำมีกรรมที่การกระทำ จะหวังไปจะไปหวังอะไร่าจะทำกรรมให้มันดีกรรมที่ดีคือกรรมฐานเพราะที่ตั้งของการกระทํามีสติเปในกายี้เป็นกรรมฐานย่อนให้มีสติเปในกายอยู่เป็นประจํา ม่ศรทาในเรื่องนี้มีความเปียนในเรื่องนี้อะไรที่ไม่ใช่สติเหมือนความเกียดค้านจะให้อ้างอย่า อ, าอ้างจะงอย่าเอาสิงต่างๆมาอ้างให้หยุดความเพียรนอกากคนทำงานอปัจจัยสี่ อ้างว่าร้อนน้ำวานหนาวอางว่างหิวอางว่าเช้าอยู่ไม่ได้ลักษณะนั้ น, า น, านเป็นความเรียดข้านอาจะมีปัญหามากกว่าการสร้างฐานะทางจิตวิญ ญ, ญาณเพราะมันทำด้วยรูปการคิดสร้าง อาชีพทางกินยานคือมรควลนิพา น, น์นี่มันมันไม่ควรอ้างเก่งๆโดยเพพาะภาปฏิบัติเช่นมันหนาวเห็นมันหนาวไม่ได้เป็นผู้หนาวเรียกว่ามีทรัพย์ใช่แล้ว มันมีใช่จ่ายแล้วเพราะมันมันประกอบขึ้นมาแล้วมีสติก็มีโอกาสทะ่ใช้สติไม่เหมือนมีชอบใช่ชอบแต่ใช่มากไม่รู้จักอมไม่รู้จักเก็บหอมหลอมรลบก็หมดได้แต่การมีชอบภายในนี่ยิงใช่ยิงงกงาม ก็มันหลงรู้นั่นคือชอบแล้วไม่ชอบใช่แล้วพาเราหัดไว้มีสติไปนในกายเราเมื่ออะไรที่มันเกิดกับกายเราก็มีสติอะไรที่มันเกิดกับจิตใจเราก็มีสติสติมันก็คือใช่ใช่ได้ในหลงก็ไม่หลงวราใช่ได้แล้ว ไม่ทุกก็ไม่ทุมันใช่เลยแล้วเหมือนคนไม่ชอบก็หิวก่อมีเงินซื้่่ข้าวกินหายหิวหนาวก็มีเงินซื้่่ผ้าห่มหายหนาวอันนั้นงั้นก็ ไม่จบไม่สิ้นเหมือนกับมีชอบภายในแต่ถ้าเราจนเรื่องชอบภายในไม่มีใช่เรืหลงก็หลงเรียกวคนจนเสร็จแล้วเันทุกข์ก็ทุกข์เรียว่าคนจนเสร็จแล้ ว, มกก ว, ว, นนลวไม่มีชอบภายในเรื่โกรธก็โกรธเป็นจนแต่แล้วไม่มีชอบภายใน จนซาบภายในนี่มันอาจจะลายกว่าจนซาบภายนอกไม่มีนระกมีเปรตมีชิลกายไปยาวไกลแต่ซาบภายนอกนี่ยังขอคนอื่นได้อาศัยคนอื่นได้บ้างแต่ซาบภายในซึ่งไม่ได้จริง น่าจะกะตือรือร้นน่าจะขนขวายกันเพราะเรามีสติมันก็ต่างกับความหลงอยู่ให้สัมผัสรสชาติความมั่งความมีความจนในเรื่องนี้จะได้กระตือรือล้นหลงเป็นหลงกับจนเหยูงนั่นแหละไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักประกอบ มาลือจากการกระทรมว่าไม่เคยหัดไม่เคยฝึกมีให้ใช้ก็ไม่ใช่ยอมหลงกับความรู้มีมาแต่เดิมเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นหรือจะว่ามักปนิธานวีเช่นนี้จะนั่นมา จะมีใครรู้ไม่รู้ก็มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแต่พระพุทธเจ้า น, น, นานามัดบัติขึ้นวัดตัชรุ่จึงเอามาสอนแม่สอนอยู่ก็คนก็ยังไม่เคยได้สัมผัสก็มีซึ่งมีอยู่ในตัวเองนั้นแล้ว ในการทอกข์สอกยาวาหาคืบนี่มีทั้งกิจวิญญาณที่มันรู้อะไรได้นี่เป็นที่เกิดแห่งมรรคแห่งผลมันน่าจะจนเวลาเราเปลี่ยนหลงเป็นรูกเวลาเราเปลี่ยนทุกข์เป็นรูกเนี่ยรู้สึกว่ามันมันขึ้นบันได หลงที่ใดรู้ที่นั่นก้าวขึ้นไปแล้วทุกที่ใดรู้ที่นั่นก้าวขึ้นไปแล้วอะไรที่ไม่ใช่ความรู้ที่มันเกิดสวนทาง ม, มาโดยก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นมันรู้สึกจากนั่นนะปฏิบัติธรรมไม่ได้ปล่อยทิ้งมันข้ามได้มันข้ามได้มันขึนนข้นได้มันสูงได้อ๋อหลงแต่แท้ทำห้ขึ้นไปสูงก็ไม่หลง สูงสูงขึ้นไปเหมือนขึ้นบันไดเออถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ไม่ทำให้แยกคลายก็ต่ำลงเรื่อยๆนะหลงก็เป็นหลงก็ต่ำลงไปต่มลงไ ป, งไปทุกข์ก็เป็นทุกข์ต่มลงไปอะไรที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่สติไม่มีสติแยกคลายก็พาดได้ปฏิบัติธรรมนย ปฏิบัติธรรมจรงยิ้มในทูกกาศไม่มีเวลาไม่มีการเมื่อมันข้ามไปไปบ่อยๆข้ามไ ป, ไปบ่อยอะไรที่มันข้ามไปก็เกิดการหลุดพน้นขึ้นบาความชํานาญเป็ศาสตร์เป็นศิลป์เป็ น, นปริญญ า, าขึ้นมาก็เกิดความสะดวก ิวิญญาณก็สะดวกไม่มีอะไรทับถมนี่ปะปฏิบัติธรรมมันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่ทำให้แยบกลายเวลาแต่ที่วันหมกุนคุนคิดเคื่องเครียดไปก็ต่ำลงไปเศร้าบมองลงไปไม่บริสุทธ บางสิ่งที่โศกปผกมาเปเพื่อนเราจากซักมันก็เพื่อนอยู่ขนานเสียหายไปเลยหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีกเรื่องเก่าแต่ถ้าผู้ที่เป็นประพฤติปรมจันร์ในความโศกปกมันเกิดความสาขึ้นมาไม่มีใคร ภาตรงนี้ถ้าฝ่ายจิตวิญญาณถ้าฝ่ายที่รูปธรรมเชื้อผ้าอาภรณ์ร่างกายฉกปกก็ขยันตรงนี้กันอยู่แล้วไม่ปล่อยทิ้งหลางคนถึงมือแว่ น, นองหน้าไปตลอดเพื่อดู อะไรที่มันสกปกที่บนใบหน้าเสื้อผ้าใบหน้ามันตาดูไม่ได้ต้องมีแว่นดูแต่เสื้อผ้ามีตาเห็นได้ก็แก้ไขทันทีมีน้ำที่ไหนก็วิ่งหาน้ำรักทันทีแต่ตาในที่มนเห็นจิตวิญญาณเห็นสถานที่เกิดกับจิตนี่ มันไม่ใช่อาศัยวัตุอะไรทั้งสิน้นมาประกอบที่หนึ่งที่สองในตัวมันเองมันน่ามันน่าจะไม่ยากนะถ้าทาถูกขั้นตอนดีๆปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากให้มันหลงอยากให้มันทุกอยากให้มันอะไรต่างๆมามันมีควาพร้อมเต็มที่พร้อมพรั่งเต็มที่ แล้วก็มีสิทธิอันโชคทรรมอันเกี่ยวขวางปฏิบัติความเป็นตอนจิตใจเนยะ่รดอว่าอาริทรัพย์ภายในเลยยากที่จะทุกข์ยากที่จะหลงก็มันมั่งมีแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเที่ย์ทําให้เกิดปัญหาอีกจบเป็นไม่เหมือนกับร่างกาย หิวเราก็กินกินแล้วก็หิวหิวแล้วก็กิ น, กกกนต้องกินต้องหิวต้องขับต้องตายอยู่เป็นประจำแปลว่าอาชีพทางกิตวิญญาณเนี่ยจบได้ทันทีนี่คือหน้าที่ของพวกเราแม้ว่าพวกใครก็ตามที่ได้รูปได้นามาเนียเพื่อการนี้ไม่ใช่อันอื่นใช่ผิดประเภทมันก็สูญเสีย การเวลาสวนเสียรูปนาไปเดินพวกภูนที่ไม่เจริญไปแล้วก็มีเหตุนีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดกับรูปผมนามนี่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาก็จบได้ใช่ถูกต้องได้เพื่อไปสู่มุ่สู่ผลถึงมุงถึงผล จึงจำเป็นในการศึกษาเรื่องนี้เราต้องรู้จักอาชีพทางปราถาปัจจัยอาชีพทางจิตวิญญาณม่ามีสองมีสส่วนชีวิตของเรานี่มีกายมีใจ ถ้ามีอาชีพทางจิตวิญญาณเราส่วนรูปธรรมเนี่ยปัจจัยสี่มันก็ถูกไปทั้งหมดเลยกลายเป็นประโยชน์มีศินอยู่ที่กายมีศินอยู่ที่วิญามีศินอยู่ที่จิตใจเมื่อศินเกิดขึ้นที่กายที่วิญญาที่จิตใจก็เกิดประโยชน์ขอทำให้สินได้ าไม่มีสินเกิดที่กาที่ใจก็ไปทุกข์ไปโทษตัวตัวเองและคนอื่นได้มันจึงมีชีวิตหมาเพื่อการนี้ให้มันฉลองจึงใช้ให้มันกุ้มค่าให้มีโอกาสใช้เหมือนกับเราฝึกหัดอะไรต่างๆมีโอกาสเข้าฝึกหัดประกอบการงา น, านทำให้มันเป็นที่จะได้อาชีพ จึงจะได้ปัจจัยจึงเป็นนิสัยจึงเกิดมาเกิดผลแนววิธีปฏิบัติวิธีฝึกหามวิธีศึกษาเรื่องนี้พุทเจ้ากตะโกนอยู่บอกอยู่ล้วก็สาธยายคำสอนวอนเช้าตอนเยิน อยู่ของพระชูต่างๆนะสาธยายกันอยู่สริญพระสงฆ์เกิดจากพระสัทธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นเกิดจากพระศทธรรมคือปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตามธรรมงมงนหลงไม่หลงเกิดตรงนี้พระสงฆ์ไม่หวั่นทุกข์ไม่ทุกข์เกิดตรงนี้พระสงฆ์ ปฏิบัติดีตรงปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติเป็นสถาบันสถาบันคือความรู้จากตัวตสถามันหลงคือรู้ทุกคือรู้โกดคือรู้อดคือรู้เก็บคือรู้ตายคือรู้สถาบันปฏิบัติสมควรอันเดียวเท่านั้นเกิดตรงนี้ เป็นผู้ตัดจรูด ต, ตามพระพุทธเจ้าไม่ใ่ใครที่ไหนคือหมูชนผู้เชื่อฟังผู้มีจัตตาเชื่อฟังคำสอนภกกาคนังไปปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติแบบเดียวกันหรือว่าทำมวินยั <c oughs> ยงานเช่นได้แล้วก็พวกเราเข้าเปน็นอันเดียวกันใครๆก็อรู้เรานั่งอยู่นี่ มีความรู้สึกตัวทุกคนก็เป็นบิในแล้วมีเช่นได้แล้วไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวไม่ใช่รตีนิการไม่ใช่เพศใช่วายเลยทีเดียวถ้ามีสติกลายเป็นคนคนเดียวกันเหมือนเช่นได้แล้วหลกไม้่าเป็นไปดได้อย่างนี้ จรงๆเล่าว่าผู้ตรัตลูตามผู้ที่เจ้าผู้เจ้าไปถึงที่นี่พระสงฆ์ก็ไปถึงที่นี่ถึงที่เดียวกันแต่ผู้ที่ลูตามเล่าว่าสงฆ์ผู้ที่ลูก่อนเลวผู้ทีเจ้าบวขึ้นก่อนจึงมีคําสอนมีประทำคำําสอนแต่ไม่ีวิธีปฏิบัติสมุนแบบ ในกาในวาจาในใจนี้มีพิมพ์ให้เข้าสู่พิมพ์เพื่อเป็นรูปแบบเดียวกันมีสติก็ละความชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติกิตก็บริสุทธิ์มันแบบเดียวกันอย่างนี้นี่เราก็สาะทยอยกันอยู่อยู่ที่ไหนเรื่องนี้ก็อยู่ที่เราทุกคนนี่แล้ว แต่กู้เมื่อใดก็รู้ได้เป็นสารพัดดกเป็นของศักดิ์สิทธิ์ร่างกายนี้ใจนี้สําเร็จได้ทุกอย่างถ้าทําดีก็ทําดีได้สําเร็จเดี๋ยวนี้ถ้าทําชั่วก็สําเร็จเดี๋ยวนี้เป็นปัจจิตตังเดี๋ยวนี้ของกายของจิตใจถ้าเราฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่ใช่เป็นปัจจิตตังเลยฟรีไปซะ ไม่ได้ประโยชน์จา ก, กอะรจากใจการเวลาก็าไปกินหมดปอนเดือนปีเอาไปกินหมดมีแต่หมดไปไม่ได้อะไรจากการมีชีวิตเรา้จึงมีงานมีกรรมฐานกรรมฐานนี่ก็ไมใช่ ไว้กับจับด้อมจอบด้อมเสียมคำแดดคำผลน้อยอยู่ก็ทําได้กรรมาฐานเนี่ยความรู้จักตัวเนี่ยโอ้ไงมันความสะดวกที่สุดเลยมันน่าจะปล่อยให้ตัวงสุขมันจะปล่อยใรงทุก น, น่าจะปล่อยให้ตัวงหลงก็อยู่ด้วยกันนั่นแล้วปลกเอาไว้ให้หัด ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ทำไม่เป็นถ้าเราฝึกก็นทำเป็นคิอเด็กก็จะสะดวกตั้งแต่หนุ่มเป็นสาวพอปล่อยไม่ได้ศึกษาเราเหรียนกับบตุชนหนาแน่นมืดแปดดาน อะไก็มืดมหลงก็มืดความทุกข์ก็มืดความโกรธก็มืดความสุขมทุกก็มืดมืม ด, มมกกม ด, มดไปก็เป็นมืดใหญเกิดแจ่จเจ็บตายก็มืดไม่รู้อะไรแน่นอนคือความแก่ความเจ็บความตายเราจะรอวันนั้นมาถึงเรา ธำมะนต้องตายก่อนตายไม่มีอะไรที่ตายไม่มีอะไรที่จะให้เก็บให้แก่เหมือนกับสวนโมกปิญญาสวนโมคกคือตายก่อนตายรู้จักวิธีตายรู้จักวิธีเก็บวิรู้จักวิธีแก่ตั้งแต่เป็นหนุ่มๆ น, มนี่ไม่ใช่แต่เหมือนลงตาในะจังหวารู้จักว่าตัวเองแก่ ให้ความแก่พาแก่ใหคกก้ความเก็บพาเก็บเพื่จะลูกกอมกระถานมันเห็นตัแต่น่าน่อยหนุ่มหนุ่มเห็นความแก่ความเก็บคงตายเอาชนะความแก่ความเก็บความตาตัาต้งแ ต, แต่น้าน่อยเราเห็นควเก็บตัวเมื่อไปโรงพยาบาลเอดคนตายเม่ออยู่ในหีบศพอันนั้น <c oughs> ไม่มีประโยชน์บวชจูงกันโยกหลานบวชจูงจูงก็จูงไม่ใชะจูงไปสวรรค์ น, นี่ผ่านจูงไปเผาก็ยังทำอยู่เชนั้นมาจูงก็เดี๋ยวนี้ดึงกันเดี๋ยวนี้ตะโกนกันบอกตอนนี้ตะโกนบอกกันเดี๋ยวนี้เวลามันหลงไม่หลงก็ได้ แลลวมันทุกไม่ทุก์ก็ได้เวลาบันโกรไม่โกรธก็ได้เหมือนตรงกันข้ามอยู่เรคิดเล่นๆสมัยสมัยสิ 14, บสี่สิบห้าวุ่นวายในการเมืองใครก็บอกว่า คมนิดมังะศาสานาอยู่ไม่ได้ทำไงเราเรามางล่าเราสึกถ้าม่นึกเขาจะฆ่าอาบังคับอะไรต่างๆปักกิง่งก็พูดอะไรต่างๆ วางข่าวไม่เจอเรื่องที่จะทำให้เราได้วางแผนแต่เขาไล่สึกก็จะสึกว่าธรรมะไม่ได้สึกอยู่ที่เพศจะเอาไปยังไงก็ไม่เป็นอะไรเราจะใช้ชีวิตอาชีพเหมือนธรรมะ มาอยู่ที่นี่จะไปก่อนนั่นก่อนนั่นแล้ว1ิีตุลาเรามีที่นี่แล้วจะจะมาอยู่ที่นี่ปลูกพายทำเชือผ้านุ่งหมเองปลูกยากระุนพายปลูกข้าวกินเอง เราจะหาเงินยังไงเวลามีเงินจะมีจะเล่นดนตรีดนตรีของเราก็อดนตรีไปเล่นในงานคนมีทุกขคนโกรธกันทะเลาะกันจะไปแสดงดนตรีจะร้องเพลงให้คนฟังไม่เป็น้อยไม่เป็นลายช่างหัวมันช่างหัวมันไปเชนันเองไปเชนันเอง ไม่เป็นไรแค่คนโกรธคนทะเลาะกันจะไปเนร้องเพลงโดยทำนองเสียงเสียงดนตรีเอาเสียงเพลงเบาๆแล้วก็เราเล่นดนตรีเป็นรูปเฉียงได้ไม่เป็นลายไม่เป็นลายเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเราก็นุ่งผ้าไ่าย ยัชุดเดียวกันหัดพระด้วยกันหัดพูดเป็นนักบวชที่เป็นเพื่อนกันมาแสดงคิดว่าน่าจะสนุกตีเพานั่นถ้าใครทะล้อกันอยากจะไปล่องไปมาไม่เป็นไรไม่เป็นไยช่างห ม, ม้มันช่างห ม, ม้มันจะไปถือสาเรื่ององินย เาต้องขึ้นหลงขึ้นสอนไก่เตียจะเป็นนักไก่เตียเป็นนักช่วยเหลือในตู้กุ้งดอ น, นเราคิดเล่นไปอันนี้เราร้องเพงลงรูปมวยเที่ยงเวชนาไม่เที่ยงสอญญาไม่เที่ยงสังขานไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสักการไ่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิใดไม่เที่ยงสินั้นเป็นทุกข์สิไดเป็นทุกข์สินั้นไม่ควรยึดว่าตัวว่าตนของเราเราก็ว่ากันอยู่เป็นทางที่ช่วยเหลือเราอยู่เวลาที่มันเจ็บขึ้นมาเวทนาไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ ทุกข์เป็นทุกข์เห็นหมนทุกข์ตอมในใจตชื่องจะเฉลี่ยแม่เจ็บแค่ได้ป่วยใช่ทำโอจดเข้าไปมันจะเฉลี่ยลูกไขกแค่เจ็บก็จะบบางลงไม่ใช่ปอาศัยแต่หมอตามจิตไปด้วยงดเอาไว้จึง อยู่เหนือความเก็บความแก่ความตายทําไงจะทำไม่ได้มันก็ทำได้อยู่ในความแก่มันก็มีความไม่แก่ในความเก็ียบ ม, มความไม่เก็บในความตายมีความไม่ตายผู้เจ้าก็บอกว่าอย่างนี้เป็นเป็นโจดทำให้เกิดอกปวดเรื่องนี้เป็นโจทย์ตัวใหญ่แล้วก็มีโจทย์กันทุกชีวิตต้อง ก่ต้องเก็บต้องตายเราก็เริ่มต้นไปเห็นเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจทเทวันคิดจดมาเห็นรูปเห็นนามรู้จักหน้าที่ของรูปรู้จักหน้าที่ของนามตามความเป็นจริงเราที่เกิดกับรูปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เราที่เกิดกับนา้ำก็ไม่ใช่ตัวเชื่อตนแยกไปแยกไปกาจักว่ากาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ทางไปอย่างนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นก็จักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจับทางได้อย่างนี้นะแรกแรกเลยเนี่ยพระเจ้าทำอย่างนี้จิตก็จักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มันจะเป็นอย่างไรไปนี้ไปนี้ไปนี้มันก็ไปตรงๆไปถึงพระยบุคคลเลยทีเดียวชั้นใดเช่นหนึ่งเช่นพระยบุคคลเชันหนึ่งพระโสดาบันเนี่ยากายาทิฏฐิไม่มีตนในกายจสกายาทิฏฐิไม่มีคนในวิธีทิฉาไม่มีตนในความคิ ด, คดจิตใจ ไม่เอาความคิดมาเป็นตัวเป็นตนไม่เอาสุกเอาทุกข์ไปห้วดไปเขียนไปกับจิตแม้ไม่มีจิตไม่มีเอ็นลมหายใจก็ไม่ได้สุขหลืทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นแล้วไม่สงสัยแล้วหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องเนี่ยว่าจะสงสัยไง ไม่ได้ถือเลือกถืองามยามได้เป็นตัวปฏิบัติหรือว่าวิกิตสีและปัตตาประมาทเชื่อกรรมอย่างเด็ดเตี่ยวเชื่อกรยมันทําอย่างเด็ดเตี่ยวไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกั้วกรรมโดยเฉพาะกรรมฐานเนี่ยทาไมมันจะไปไม่ได้มันไปทางนี้แท้ๆเหยียบทางได้ทุกคนแล้ว เห็นกายสภาวะกายเห็นเวทนาสักวะเวทนาเห ai, ็นจิตสภาวะจิตเนธรรมสภาวะธรรมไปแล้วไปแล้วออกจากกายออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายไปบ้างแล้วไปสู่ความไม่แฉ่ไม่เจ็บไม่ตา ย, ยแล้วงั้นน่าจะง่ายนะกรตือรือร้นนะปฏิบัติทําะไ้มาได้ช่องในทางได้โอกาสนั้นก็คนไม่โอกาสก่ เดินทางก็วิงว่งเอาวิงว่งเอาวิงว่งเอาอ่าได้ยินไหม <laughs> อ้ารัาคนเจริญเวลา